ต้อรับคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินที่นี่เช่นเคยค่ะ www.thaipbsradio.com มาฟังเรื่องชีวิตโยคีที่น่าสนใจและก็น่าติดตามกันต่อค่ะวันนี้มาถึงตอนที่19แล้วนะคะเรื่องของชีวิตโยคีจากอัตมาชีวประวัติของโยคีหนังสือดีๆที่เหมาะสำหรับคนที่แสวงหา ความหมายของการมีชีวิตอยู่การพัฒนาตัวเองการเข้าถึงตัวเองเข้าถึงธรรมชาติจากหนังสืออัตตาชีวประวัติของโยคยีเขียนโดยท่านปรมาังษาโยคานันทะซึ่งเป็นโยคียชื่อดังที่มีคนนับถือมากมายทั้งในอินเดียและในสหรัฐอเมริกานะคะหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษค่ะมีแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะคะ สนุกดีเป็นเล่มหนาใครสนใจก็สามารถหาอ่านได้ถามหาตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปค่ะชื่อหนังสือว่าอัตะชีวประวัติของโยคีวันนี้ตอนที่19มาฟังเรื่องมหัศจรรย์จากประสบการณ์ของท่านศรียุคเตสวนซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านโยคานันทะ ท่านอาจารย์4ียุคเตสวนเป็นลูกศิษย์ของท่านลาฮิรีมหาสยะค่ะท่านก็ได้พบกับประสบการณ์ความมหัศจรรย์จากอาจารย์ของท่านเช่นกันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของท่านเพื่อนรักที่ชื่อรามรามกับท่านเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็มักจะไปกราบคารวะท่านครุลาฮิรีมหัสยะ รามเป็นคนดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ทันสียุคเตยสวนรักแต่แล้วรามก็ต้องเจ อ, เจอกับบททดสอบอันหนักหน่วงโดยไม่ทันได้ตั้งตัวบททดสอบนั้นคืออะไรประสบการณ์มหาสจารน์นั้นคืออะไรมหาสจัจรรย์แค่ไหนติดตามได้เลยนะคะชีวิตโยคยีตอนที่19ค่ะ ปรากฏว่ารามติดเชื้ออหฮิวาค่ะท่านลาฮิริก็ไม่เคยต่อต้านห้ามปรามไม่ให้ไปหาหมอในยามป่วยหนักเช่นนั้นจึงมีการเชิญหมอผู้เชี่ยวชาญสองท่านมาดูอาการขณะที่หมอเร่งมือช่วยชีวิตปรามอย่างร้อนรนท่านสียุคเตสวนก็เฝ้าสวดอ้อนวอน ต่อท่านครุลาหิริมหัศยะให้ท่านเมตายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่านถึงกับเดินทางไปที่อาสมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านอาจารย์ลาหิริฟังทั้งน้ําตาแต่ปรากฏว่าท่านครุลาฮิริกลับยิ้มสบายๆแล้วก็บอกว่าหมอกําลังรักษารามอยู่เขาจะหายดี ท่านสียุคเตส่วนตอนนั้นก็เบาใจเมื่ออาจารย์บอกเช่นนั้นก็รีบกลับมาหาเพื่อนแต่กลับพบว่ารามอยู่ในสภาพที่รอดแรกใกล้ตายเต็มทีหมอคนหนึ่งก็บอกว่าคงไม่พ้นสองชั่วโมงนี้แหละท่านสียุคเตส่วนในตอนนั้นก็รีบกลับไปหาครูคือท่านลาฮิริเป็นครั้งที่สองแต่ท่านลาฮิริก็ยังคงมีท่าทีไม่ทุกข์ไม่ร้อน โดยบอกว่าคนเป็นหมอต้องมีสำนึกในหน้าที่อยู่แล้วเราแน่ใจว่ารามจะหายดีแน่นอนเราก็ไล่ท่านศรียุคเตยส่วนกลับไปพอไปถึงบ้านของรามหมอกลับไปแล้วทั้งคู่หมอคนนึงเขียนข้อความทิ้งเอาไว้บอกว่าหมอช่วยจนสุดความสามารถแล้วแต่คนไข้ารายนี้หมดหวังแล้วจริงๆ เมื่อพิจารณาดูจากสภาพรามใกล้าตายแล้วจริงๆท่านศียุกเตสวนตอนนั้นงงมากเพราะว่าคำพูดของท่านครุลาหิริมหัสยะไม่เคยพลาดแต่ภาพความจริงที่ปรากฏเบื้องหน้าก็คือรามที่ใกล้าตายเต็มทีแม้ว่าจะงุนงงสงสยัย แต่ท่านก็เฝ้าพยาบาลเพื่อนอย่างเต็มกําลังความสามารถจูจูรามก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นแล้วก็บอกว่ายุคเตสวนไปหาท่านครุทีแล้วก็กราบเรียนท่านด้วยว่าฉันขอกราบลาท่านไปก่อนขอความกรุณาท่านได้โปรดมาประทานพรให้กับกายสังขารของฉันก่อนที่จะถูกนําไปเผาด้วย พูดจบปรามก็ระบายลมหายใจเฮือกสุดท้ายออกมาแล้วก็สิ้นใจไปต่อหน้าต่อตาท่านยุคเตสวนท่านก็ร้องไห้อยู่ข้างศพเพื่อนเป็นชั่วโมงชั่วโมงตอนนี้ร่างของรามนิ่งสนิทไม่ไหวติ่งใดๆพอดีมีเพื่อนร่วมสำนักคนหนึ่งเข้ามาท่านก็เลยวานให้เพื่อนคนนั้นเนี่ย อยู่เป็นเพื่อนศพคือเฝ้าศพจนกว่าท่านจะกลับมาจากนั้นท่านก็เดินไปหาท่านครุลาฮิริยังไม่ค่อยจะมีสติสตางค์นักรามเป็นยังไงบ้างแล้วใบหน้าของท่านครุยังคงประดับด้วยรอยยิ้มอาจารย์ขอรับอาจารย์จะได้เห็นในไม่ช้านี้ ว่าเขาเป็นยังไงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าท่านจะได้เห็นศพของเขาก่อนที่จะถูกหามไปยังเชิงตะกอนจากนั้นท่านก็ร้องไหค้คร่ำครวญอย่างสุดจะกลั้นยุคเตสวนมีสติหน่อยสงบจิตสงบใจนั่งลงทำสมาธิเดี๋ยวนี้ว่าแล้วตัวท่านครูเองก็เงียบเสียงสู่ยานสมาธิ บ่ายนั้นทั้งบ่ายและคืนนั้นทั้งคืนผ่านไปท่ามกลางความเงียบท่านสียุคเตสวนพยายามจะคุมจิตให้คืนสู่ความสงบเยือกเย็นแต่ก็ไม่ได้ผลพอฟ้าสางท่านครุลาหิริมหัศยะก็หันมามองท่านสียุคเตสวนผู้เป็นลูกศิษย์อย่างปรอบประโลมแล้วก็บอกว่าเราเห็นแล้วว่าใจของเจ้ายังไม่สงบทาไมเมื่อวานี้ เจ้าจึงไม่บอกว่าอยากจะให้เราช่วยรามด้วยอะไรสักอย่างที่จับต้องได้อย่างเช่นยาท่านครุชี้ไปที่ตะเกียงรูปถ้วยที่ใส่น้ามันละหุ่งแล้วก็สั่งให้เอาน้ำมันในตะเกียงใส่ขวดเล็กๆไปหยดใส่ปากรามเจ็ดหยดท่านศรียุคเตสวนก็งงมากอาจารย์ขอรับรามสิ้นใจไปตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานถึงตอนนี้แล้ว น้ำมันยังจะช่วยอะไรได้อีกเรื่องนั้นช่างมันเถอะแค่ทำอย่างที่เราบอกก็พอท่านสียุคเตซวนไม่เข้าใจว่าทาไมอาจารย์ถึงอารมณ์ดีนักในขณะที่ท่านเองยังคงโศกเศร้ากับการจากไปของรามแต่ท่านก็ทำตามคาสั่งของครูหลังกรอกน้ามันใส่ขวดเสร็จเรียบร้อยท่านก็กลับมาที่บ้านของราม ร่างของเขาแข็งทื่ออยู่ในเงื้อมือของพญามัจจุราชครูไม่สนใจกับสภาพศพอันน่าสะพึงกลัวนั้นตรงเข้าไปใช้นิ้วชี้ข้างขวาพเพยเรอะริมฝีปากเข้าให้เปิดออกแล้วใช้มือซ้ายเปิดฝ้าจุกหยดน้ำมันลงไปยังฟันที่ขบแน่นของเขาทีละหยดพอน้ำมันหยดที่7ตกต้องริมฝีปากอันเย็นเยียบ ร่างของรามก็สั่นกระตุกอย่างรุนแรงกลามเนื้อจากศีรษะจรดปลายเท้าเต้นบ ร, ริกในขณะที่เจ้าตัวลุกขึ้นมานั่งอย่างงงงจากนั้นรามก็ร้องออกมาว่าฉันเห็นท่านอาจารย์ลาหิริมหัศยะในแสงสว่างจ้าท่านเปล่งรัสมีโชดช่วงราวกับพระอาทิตย์ แล้วก็บอกว่าลุกขึ้นเถิดจงตื่นจากการหลับไหลของเจ้าแล้วตามยุคเตยสวนมาพบเราท่านสั่งฉันแบบนี้ครูแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อรามลุกขึ้นแต่งตัวทั้งยังมีเรี่ยวแรงพอจะเดินตามครูกลับไปที่อาสมของท่านครุได้หลังจากที่ป่วยตายไปแล้วด้วยซ้ำพอมาถึงเขาก็ก้มลงกราบท่านลาหิริมหัสยะ น้ำตาไหลเป็นทางด้วยความซาบซึ้งในพระคุณของท่านท่านครูอยู่ในอารมณ์ชื่นบานดวงตาท่านเป็นประกายจับจ้องมองมาที่ครูอย่างมีเลสไนไงยุคเตสวนนับจากนี้ไป เห็นทีว่าเจ้าจะพกน้ำมันละหุงติดตัวไว้ไม่ยอมห่างเลยสิท่าเจอใครตายเข้าก็าแค่หยดน้ำมันใส่ปากศพเฮน้ำมันตะเกียงเจ็หยดต้องทําให้พระยมหมดริดเดตแน่แท้เทียวอาจารย์ขอรับอาจารย์ล้อ ก, กระผมนี่ขอรับกระผมไม่เข้าใจเลยขอความกรุณาอาจารย์ช่วยชี้ข้อผิดพลาดของกระผมให้กระผมได้ทราบด้วยเถิดขอรับ เราบอกเจ้าซ้ำตั้งสองครั้งว่ารามจะหายดีแต่เจ้าก็ทำใจให้เชื่อเราเต็มร้อยไม่ได้เราบอกแค่ว่าหมอจะมาดูอาการมารักษาให้ไม่ได้บอกว่าจะรักษาได้เราไม่คิดจะเข้าไปแทรกแซงการทำงานของหมอเพราะพวกเขาก็ต้องทำมาหาเลี้ยงชีวิตอย่างคนอื่นเหมือนกันจงรู้ไว้ให้ขึ้นใจเถิดว่า ปรมาตามันนั้นส่งไว้ซึ่งพลานุภาพอันยิ่งใหญ่สามารถรักษาทุกผู้คนให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ไม่ว่าจะเป็นหมอหรือไม่ท่านสียุคเตสวนบอกว่ากระผมเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วขอรับตอนนี้กระผมรู้แล้วว่าถึงแม้จะเป็นแค่คำพูดธรมดธรมดาธรรมดาแต่ถ้าออกจากปากของท่าน ก็มีผลผูกพันไปทั่วทั้งจั ก, กรวาล น, นี่คือเรื่องเล่าของท่านศรียุคเตสวนที่เล่าถึงความมหัศจรรย์ของอาจารย์ของท่านนะคะก็คือท่านครุลาหิริมหัท่านลายิริมหัสยะทีนี้พอท่านอาจารย์เล่าเรื่องจบก็มีเด็กชายจากรานจีคนหนึ่งถามว่า ท่านอาจารย์ขอรับทำไมครุของท่านจึงให้เอาน้ำมันละหุ่งไปล่ะขอรับคืออยากรู้ว่าน้ามันละหุงเนี่ยมันมีสรรพคุณอย่างไรทำไมถึงให้เอาน้ำมันละหุ่งไปหยอดใส่ปากของรามท่านครุียุคเตสวนก็บอกว่าน้ำมันที่ท่านลาฮิริมหัศยะให้ไปเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรเลยแต่เป็นเพราะว่า ท่านคาดหวังคือหมายถึงว่าท่านศรียุคเตสวนเนี่ยคาดหวังว่าจะต้องได้อะไรสักอย่างที่จับต้องมองเห็นได้ท่านลาฮิริมหัสยะจึงเลือกเอาน้ำมันที่อยู่ใกล้ตัวมาเป็นสั ญ, ญลักษณ์เชิงวัตถุเพื่อทำให้ลูกศิษย์คือท่านศรียุคเตสวนมีศรัทธาแก่กล้ายิ่งขึ้นที่ท่านยอมให้รามตายจากเมื่อต้นมือนั้นเป็นเพราะใจครู ยังมีความกังขาติดข้องอยู่ส่วนหนึ่งแต่ท่านครุก็รู้ดีว่าเมื่อท่านบอกว่ารามจะหายป่วยรามก็ต้องหายป่วยต่อให้ท่านต้องชุบชีวิตรามขึ้นมาจากความตายซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่มีใครรอดกลับมาได้ก็ตามจากนั้นอาจารย์รียุคเตส่วนก็บอกเด็กๆให้เลิกเรียนแล้วก็หันมากวักมือเรียกท่านโยคานันทะ ให้เข้ามานั่งที่พรมตรงแทบเท้าท่านอยู่คานันะชีวิตของเธอนับแต่เกิดมาล้วนเกี่ยวข้องผูกพันกับสิทธิ์โดยตรงของท่านครุลาหิริมหัศยะทั้งสิน้นท่านมหาคุรุดำเนินชีวิตของท่านตามแนวทางอันประเสริฐรักษาความวิเวกไว้ในระดับหนึ่ง และยืนกรานไม่ยอมให้สานุสิตก่อตั้งองค์กรใดๆเพื่อเผยแพ่คำสอนของท่านแต่ท่านเคยพยากรณ์เอาไว้ว่าหลังจากที่ท่านละสังขารไปได้ราว50ปีจะมีผู้เรียงร้อยเรื่องราวชีวิตของท่านขึ้นมาเป็นตัวอักษรและเมื่อโลกตะวันตกเริ่มหันมาสนใจศึกษาศาสตร์แห่งโยคะกันอย่างจริงจังสาระสาคัญของวิชายโยคะจะแพร่หลายไปทั่วโลก และจะช่วยสถาปนาพราดอนภาพขึ้นในหมู่มวลมนุษย์เป็นเอกภาพอันเกิดจากการที่มนุษย์สามารถยังรู้ได้ด้วยตนเองว่าเรามีพระบิดาเจ้าเป็นองค์เดียวกันโยคานันทะสิทธิ์ปรักเธอจะต้องทำหน้าที่ในส่วนของเธอจงเผยแผ่คำสอนของท่านออกไปและจงเขียนชีวประวัติอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านขึ้นเถิด50ปีหลังจากที่ท่านครุ ลาฮิริมหัสยะละสังขานไปในปี1895ได้มาบรรจบครบวาระในปี1945ซึ่งเป็นปีที่ท่านโยคานันทะเขียนหนังสือเล่มนี้จนแล้วเสร็จข้าพเจ้าอดนึกอัศจรรย์ใจไม่ได้ที่ปี1945ให้บังเอิญเป็นปีที่เปิดทางไปสู่ยุคใหม่ ยุคแห่งพลังงานปรมาณูอันนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ผู้คนที่มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อผู้อื่นต่างหันมาให้ความสนใจกับปัญหาเร่งด่วนเรื่องสันติภาพและพาราดอนภาพมากมายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยเกรงว่าหากทุกฝ่ายมุ่งใช้กำลังเข้าหักล้างกันต่อไปมนุษยชาตินั่นเองที่จะถูกทาลายล้างให้หมดไปจากโลกนี้ พร้อมๆกับปัญหาประดามีเรื่องราวชีวิตและคำสอนของท่านลายฮิริมหัศยะ มีพิมพ์ออกเผยแพร่น้อยมากตลอด30ปีมานี้ท่านโยคานันทะได้พบว่าผู้คนทั้งในอินเดียอเมริกาและยุโรปต่างสนใจศึกษาศาสตร์แห่งโยคะอันจะนำบุคคลไปสู่ความหลุดพ้นอย่างจริงจังและจริงใจและดังที่ท่านได้เคยทำนายเอาไว้ณนะเวลานี้งานเขียนเรื่องชีวประวัติของท่าน ได้กลายมาเป็นสิ่งจําเป็นต่อโลกตะวันตกที่ซึ่งเรื่องราวชีวิตของโยคีผู้ยิ่งใหญ่ในยุคสมัยใหม่ไม่เป็นที่รับรู้รับทราบกันมากนะัก ในหนังสืออัตตาชีวประวัติของโยคยีที่เขียนโดยท่านปรมาหังษายโยคานันทะมีรูปของท่านลายฮิริมหัศยะด้วยนะคะซึ่งท่านโยคานันท์บอกว่าปกติแล้วเคยมีคนขอถ่ายรูปท่านแต่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จคือถ่ายไม่ติด คือท่านไม่อนุญาตถ้าท่านไม่อนุญาตเนี่ยจะถ่ายไม่ติดแต่ถ้าท่านอนุญาตก็จะถ่ายติดมีภาพของท่านค่ะแล้วก็มีข้อความบรรยายว่าเราคือดวงวิญญาณกรองของเจ้าจักจับภาพอนูแห่งพระเป็นเจ้าอันบุคคลไม่อาจมองเห็นด้วยตาเนื้อได้กระนั้นหรือ ภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ท่านอนุญาตให้ถ่ายภาพร่างศักดิ์สิทธิ์ของท่านได้ <I am S 1> และจากนั้นท่านก็ไม่เคยให้ใครถ่ายภาพอีกเลย <am> เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ <this> time, มาฟังเรื่องราวของท่านครุลาหิริมหัศยา <am> ซึ่งก็เป็นเรื่องราวของโยคีที่น่าสนใจมาก <this> time, ท่านเป็นครู ของท่านสียุคเตสวนซึ่งเป็นครูของท่านโยคานันทะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะ <am> สำหรับเพลงที่นำมาเปิดประกอบการเล่าเรื่องนี้ก็เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับท่านโยคานันทะทั้งสิ้นนะคะเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ชื่อว่า Prayer at Night ถ้าฟังดีๆก็จะพบว่าเป็นเพลงที่ฟังและสงบเหมือนกับเป็นเพลงสวดเล็กๆนะคะเอาละค่ะเรามารู้จักกับท่านลาฮิริมหัสยะ เป็นครุเป็นครูของท่านศรียุคเตสวนแล้วก็เป็นครุของพ่อกับแม่ของท่านโยคานันทาด้วยท่านลาฮิริมหัศยะเกิดเมื่อวันที่30กันยายนปีคริสต์ศักราช1828ในครอบครัวพราหม์ซึ่งมีศรัทธาแก่กล้าในพระศาสนาและเป็นสายตระกูลที่เก่าแก่มาแต่ครั้งโบรโบราณ ท่านเกิดที่หมู่บ้านคูรนีในตำบลนาเดียเมืองกริณนะนครแห่งแคว้นเบงกอลเป็นบุตรชายคนเดียวของนางมุกตากาสีภรรยาคนที่สองของท่านคารโมหันมารดาของท่านลาโลกไปตั้งแต่ท่านยังเล็กจึงทำให้รู้เรื่องเกี่ยวกับแม่ของท่านน้อยมาก สมัยเด็กๆท่านมีชื่อเต็มๆว่าสยามเจรันลาฮิริท่านได้รับการเลี้ยงดูอยู่ที่บ้านของบรรพบุรุษในหมู่บ้านคูรณีพออายุได้สมหรือสี่ขวบท่านก็มักปฏิบัติโยคะในท่าอาสนะต่างๆโดยที่ตัวจมมิดลงไปอยู่ใต้ผืนทรายโผล่ขึ้นมาให้คนเห็นเฉพาะศีรษะเท่านั้นที่ดินของตระกูลลาฮิริ ประสบภัยหายสาบสูญไปในฤดูหนาวของปี1833เมื่อแม่น้ำชลังคีที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเปลี่ยนทางน้ำไหลามารวมกับแม่น้ำคงคาเทวาัยที่ตระกูลลาฮิริสร้างถวายแด่พระศิวะก็พลอยล่มจมหายไปในสายน้ำเช่นเดียวกับบ้านอันเก่าแก่ของตระกูล แต่มีสาวก ค, คนหนึ่งช่วยกู้เอาเทวรูปหินพระศิวะขึ้นมาจากกระแสน้ำบนได้แล้วก็อัญเชิญเทวรูปนั้นไปประดิษฐานไว้ในเทวาลหลังใหม่ซึ่งปัจจุบันมีชื่อเรียกว่าเทวาลศิวะคูรณีจากนั้นท่านเคารโมหันลาหิริพาครอบครวัวมาตั้งรกรากอยู่ที่พารณสีแล้วก็สร้างเทวาลพระศิวะขึ้นหลังหนึ่ง ท่านดูแลรับผิดชอบครอบครบัวครบถ้วนตามหลักพระเวทคือเป็นคนเคร่งศาสนามากท่านศึกษาพระเวทเป็นประจำ ม, มิได้ขาดเป็นคนเที่ยงธรรมเปิดกว้างแต่ก็ไม่ได้หันหลังให้กับแนวคิดสมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์แต่ประการใดในวัยยาวท่านลาฮิรีมหัสยะได้ศึกษาภา ษ, าษาฮินดีและอูรดูกับเพื่อนๆในเมืองพาราณสีท่านเข้าเรียน ในโรงเรียนของอาจารย์ที่ชื่อโชอีนารยันโคสารได้ศึกษาทางวิชาภาษาสันสกฤตเบงกาลีฝรั่งเศสและอังกฤษท่านเป็นเด็กจิตใจดีสุภาพอ่อนโยนกล้าหาญเป็นที่รักของเพื่อนๆ เ, เป็นคนที่มีร่างกายสมส่วนแข็งแรงเต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังว่ายน้ำเก่ง แล้วก็มีความเชี่ยวชาญงานที่ต้องใช้ทักษะด้านพละกำลังเมื่อเป็นหนุ่มท่านได้สมรสกับธิดาของท่านสีเทพนารยันสัญญาณนามว่าสีมาตีกาสีโมนีที่เคยเล่าให้ฟังไปเมื่อตอนเมื่อตอนสองตอนที่แล้วนะคะที่ท่านโยคานันทะไปคุยกับท่านแล้วก็ให้ท่านเล่าเรื่องอ เกี่ยวกับท่านลาฮิริมหัสยาให้ฟังจับได้นะคะท่านศีมาตีกาศีโมนีก็เรียกได้ว่าเป็นภรรยาชาวอินเดียตามอุดมกติล้วค่ะเป็นภรรยาผู้เพียบพร้อมดูแลงานบ้านต้อนรับแขกเรือและก็สงเคราะห์คนยากไร้ด้วยใจยินดีทั้งคู่มีบุตรสองคนคือตินคอรีกับดูคอรีมีบุตรี คือลูกสาวอีกสองคนเมื่ออายุได้ยี่สิบสามปีท่านได้เข้าทำงานเป็นสมุบัญชีให้กับกรมโยธาธิการทหารของรัฐบาลอังกฤษและได้เลื่อนตำแหน่งในระหว่างรับราชการหลายครั้งก็เรียกว่าในแง่ของการใช้ชีวิตทางโลกท่านก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จกับการสวมบทบาทข้าราชการ คือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทางโลกช่วงที่รับราชการทางกรมก็ได้ย้ายท่านไปประจำสานักงานหลายแห่งหลังจากที่บิดาของท่านถึงแก่กรรมท่านก็เข้ามารับผิดชอบดูแลสมาชิกทั้งหมดในฐานะหัวหน้าครอบครัวและท่านยังได้ซื้อบ้านในย่านครุเทศวนโมหุลาที่เงียบสงบของเมืองพาราณสีเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยได้ย้ายมาอยู่ด้วยกัน อายุได้33ปีท่านก็มองเห็นหนทางที่ทําให้ท่านได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการกลับมาเกิดในชาตินี้ท่านได้พบกับท่านมหาครุบาบาจีอาจารย์ของท่านณนะละแวกเมืองรือศีเกตในเขตธิมาลายัยเมืองรือศีเกตนี้เป็นเมืองที่มีโยคีมีรือศีอยู่เยอะมากนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นเช่นนั้นค่ะมีสํานักโยคะ มากมายคือถ้าเกิดว่าใครจะไปเรียนรู้ภูมิปัญญาของอินเดียนี่เมืองนี้เป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะท่านได้พบกับท่านมหาครุบาบาจีที่นี่แล้วท่านบาบาจีก็ได้ถ่ายทอดกิริยาโยคะให้ทีนี้ในบทต่อไปเนี่ยนะคะ จะเป็นเรื่องของท่านบาบาจีคือเป็นอาจารย์ของอาจารย์ของอาจารย์อีกทีหนึ่งซึ่งท่านโยคานันทะเนี่ยก็ได้พูดถึงท่านบาบาจีนะคะว่าท่านบาบาจีเป็นดั่งทูตสวรรค์แห่งอินเดียยุคใหม่ ท่านสียุคเตสวนเคยบอกท่านโยคานันทาบอกว่าท่านบาบาจีซึ่งเป็นครูของท่านครุลาฮิบริมหาสยานั้นพบนักพักพิงในเขตฮิมาลัยและก็บอกว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เหนือความตาย เป็นอวตารอง์หนึ่งอวตารเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่าการข้ามลงมาจากรากศัพท์ว่าอวะแปลว่าลงตรึแปลว่าข้ามในคำพีของทางฮินดูอวตารหมายถึงพระเป็นเจ้าแบ่งภาคมาเกิดในกายา ภูมิธรรมของท่านบาบาจีนั้นสูงส่งเกินกว่าที่มนุษย์ปุถุชนจะพึงเข้าใจได้สายตาที่มองเห็นสิ่งต่างๆได้เพียงน้อยนิดของมนุษย์มีหรือที่จะมองทะลุเข้าไปเห็นถึงดวงดาวอันอยู่เหนือนโลกของท่านได้บางคนคิดไปเป็นตุเป็นตะว่าท่านจะต้องบรรลุภูมิธรรมขั้นนั้นขั้นนี้แต่ก็เหลวไหลทั้งเพเรื่องพันนี้ใครจะไปอย่างรู้อย่างเห็นได้เล่า คือถ้ามองอย่างผิวเผินองค์อวตารจะไม่มีสิ่งใดผิดแผกแตกต่างไปจากปุถุชนโดยทั่วไปแต่ในบางครั้งร่างของท่านจะไม่มีเงาหรือว่ารอยเท้าปรากฏให้เห็นบนพื้นดินภาระหน้าที่ของท่านบาบาจี ในการที่ท่านเป็นอวตารของพระเป็นเจ้าคือจุดประสงค์ในการอาวตารลงมาก็เพื่อการช่วยเหลือสนับสนุนบรรดาผู้บรรลุธรรมให้ได้ประสิทธิประสาทพอรอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้คนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมา ท่านบาบาจีไม่มีชื่อปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ค่ะท่านไม่เคยสำแดงตนอย่างเปิดเผยไม่ว่าจะในยุคสมัยใด mm hmm. คือเหมือนกับว่าความเป็นมาของท่านเนี่ยค่อนข้างจะลึกลับ mm hmm. mm hmm. ท่านโยคานันทะเขียน อธิบายเอาไว้นะครับบอกว่าศาสดาพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระคริสและพระกฤษณะเสด็จลงมาสู่โลกด้วยวัตถุประสงค์อันจำเพาะเจาะจงและพิเศษพิสดารเมื่อภาระหน้าที่ลุล่วงพวกท่านก็เสด็จจากไปในทันทีแต่องค์อวตารอื่นๆอย่างท่านบาบาจีจะแบกรับภาระหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการอันเชื่องช้าของมนุษย์และต้องใช้เวลาเป็นร้อยร้อยปีมากกว่าที่จะลงมาเพื่อเป็นปรากฏการณ์อันพิเศษสุดเหตุการณ์หนึ่งบนหน้าประวัติศาสตร์ครูบาอาจารย์เช่นดังท่านนี้ย่อมเร้นกายจากสายตาของคนหมู่มากอยู่เป็นนิดและมีอำนาจที่จะหายตัวได้ดังใจประสงค์ด้วยเหตุผลที่กล่าวมากับทั้งพวกท่านเองก็มักมีคำสั่งให้สานุสิ์ ปกปิดเรื่องของพวกท่านไว้เป็นความลับโลกจึงมิได้รู้จักครูบาอาจารย์ผู้มีภูมิธรรมอันสูงส่งเหล่านี้เรื่องราวของท่านบาบาจีที่เข้าไปเจ้าจะนํามาบันทึกไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงชีวประวัติโดยย่อประกอบด้วยข้อเท็จจริงเพียงไม่กี่ประการที่ท่านเห็นสมควรให้นํามาเปิดเผยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน มีข้อมูลอันจำกัดนะคะว่าท่านบาบาจีท่านพูดภาษาฮินดีเป็นหลักแต่ภาษาอื่นๆก็พูดได้ชื่อที่ท่านใช้ก็เป็นชื่อทั่วๆไปคือบาบาจีซึ่งหมายถึงคุณพ่อที่เคารพคือไม่ได้เป็นชื่อเฉพาะแต่สานุสิทธิ์ของท่านลายฮิริมหัสยะ จะเรียกท่านบาบาจีอย่างยกย่องว่าท่านมหามุนีบาบาจีมหาราชซึ่งหมายถึงอาจารย์ผู้ตั้งอยู่ในปิติอันสูงสุดบางก็เรียกมหายโยคีหรือว่าโยคีผู้ยิ่งใหญ่บ้างแล้วแต่จะเรียกแต่ไม่มีใครรู้ชื่อจริงๆของท่านหมายถึงชื่อตามชาติตระกูลว่ากันว่าร่างของท่านบาบาจี ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักแค่ไหนก็ยังคงดูหนุ่มแน่นเหมือนอายุไม่เกิน25ปีผิวพรรณผ่องใสร่างสันทัดสูงปานกลางเรือนกายอันแข็งแรงและงดงามของท่านมีรังสีเรืองรองเปล่งออกมาอย่างเห็นได้ชัดท่านมีดวงตาสีเข้มฉายแววสงบและอ่อนโยนผมเป็นสีทองแดงยาวเป็นประกาย บางครั้งใบหน้าของท่านก็ดูคล้ายกับท่านลาหิริมหัศยะในบางโอกาสคือบางครั้งก็ดูเหมือนนะคะจนมีคนเข้าใจผิดว่าท่านเป็นคือหมายถึงว่าใบหน้าเนี่คยคล้ายๆกันแต่ว่ามาคล้ายกันตอนที่ท่านลาฮิริมหัศยาสูงวัยขึ้นคนก็เลยเข้าใจผิด อาจเข้าใจผิดไปว่าท่านลาฮิริเนี่ยเป็นพ่อของท่านบาบาจีซึ่งมีรูปลักษณ์อ่อนเยาว์เพราะว่าในขณะที่ท่านลาฮิริมหัศยะท่านกา็เปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาแต่ว่าท่านบาบาจีผู้เป็นอาจารย์ของท่านเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงยังคงอ่อนเยาว์เหมือนกับหนุ่มอายุ25อยู่เสมอ ลูกศิษย์ลูกหาที่เคยมีโอกาสได้พบกับท่านบาบาจีจะบอกว่าผู้คนจะมองเห็นหรือจดจําท่านได้ก็ต่อเมื่อท่านประสงค์จะให้เป็นเช่นนั้นเล่ากันว่าท่านเคยไปปรากฏกายให้ผู้ศรัทธานในตัวท่านเห็นหลายครั้งแต่ละครั้งจะมีรูปลักษณ์ต่างกันไปเล็กน้อยบางครั้งก็มีหนวดเคราบางครั้งก็ไม่มี กายสังขารซึ่งไม่รู้จักการเสื่อมสลายของท่านไม่จําเป็นต้องพึ่งพาอาหารท่านแทบจะไม่ฉันเลยมีบางครั้งเท่านั้นนะคะที่ท่านจะรับผลไม้หรือข้าวหุงด้วยเนยหุงด้วยนมแล้วก็เนยใสที่บรรดาสานุสิตเนี่ยนำมากราบคารวะเพื่อรักษาเมรัยยะทางสังคมคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านไม่จําเป็นจะต้องจะต้องบริโภคเพราะว่าร่างกายของท่านอยู่พ้นไปจาก เงื่อนไขของมนุษย์โดยปกติมีเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์ในชีวิตของอท่านบาบาจีสองเรื่องนะคะที่ท่านสวามีเกพรานันทะซึ่งเป็นอาจารย์สอนพิเศษวิชาภาษาสันสกฤตให้กับท่านโยคานันทะเล่าให้ฟังคือท่านสวามีเกพรานันทะเนี่ย เคยใช้เวลาอยู่ร่วมกับท่านบาบาจีในเทือกเขาหิมาลัยมาช่วงหนึ่งท่านกะล่าบอกว่าคืนวันหนึ่งบรรดาลูกศิษย์ของท่านบาบาจีเนี่ยก็นั่งล้อมรอบกองไฟที่ลุกโชนในการประกอบพิธีตามคำภีพระเวศจู่ๆท่านบาบาจีก็คว้าท่อนฟืนที่ติดไฟแดงวาบเนี่ยฟาดลงไปบนบาอันปเปล่าเปรยของศิษย์คนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆกองไฟ ท่านหลาฮิริมหัสยะที่นั่งอยู่ด้วยก็บอกว่าอาจารย์ขอรับช่างโหดปร้ายอะไรเช่นนี้ท่านอาจารย์ก็บอกว่าหรือเจ้าอยากจะเห็นเขาถูกไฟเผาตายกลายเป็นขี้เท่าไปต่อหน้าต่อตาเจ้าเพราะกรรมเก่าตามมาทันงั้นสิพูดจบท่านก็วางมือลงบนบ่าอันไหมพองของสิทธิผู้นั้นเพื่อเยียวยารักษาให้แล้วก็บอกว่าคืนนี้เราได้ช่วยเจ้า ให้รอดพ้นจากความตายอันทุกข์ทรมานเจ้าได้ชดใช้กรรมเก่าด้วยความปวดแสบปว ด, ปวดปร้อนเล็กๆน้อยๆจากท่อนฟืนนี้แล้วแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งคณะของท่านบาบาจีถูกรบกวนจากการมาของคนแปลกหน้าคนหนึ่งคนคนนี้ปีนภูเขาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวยอย่างน่าทึ่งพอปีนขึ้นมาถึงเชิงเงื้อผาที่ไม่ไกลจากที่พัก ของคณะท่านบาบาจีนะักชายผู้นั้นก็บอกว่าอาจารย์ขอรับท่านจะต้องเป็นท่านบาบาจีผู้ยิ่งใหญ่เป็นแน่กระผมมานะบากบันค้นหาท่านไปตามภูผาอันสูงชันและเต็มไปด้วยอันตรายโดยไม่หยุดหย่อนมาหลายเดือนแล้วกระผมกราบวิงวอนท่านได้โปรดปรับกระผมไว้เป็นสิทธิ์ด้วยเถิดขอรับแต่ท่านบาบาจีก็ยังคงนิ่งเฉยชายผู้นั้น ชี้นิ้วลงไปยังหุบเหวที่มีหน่อยหินกองระเกะระกะอยู่เบื้องล่างแล้วก็บอกว่าถ้าท่านบาบาจีไม่ยอมรับเขาเป็นสิ์เขาจะกระโดดเขาตายปรากฏว่าท่านบาบาจีบอกว่างั้นกระโดดเลยสิพิจารณาจากสภาวะจิตที่เจ้ามีและจากที่เจ้าเป็นอยู่ในขณะนี้เราเห็นจะรับเจ้าไว้ไม่ได้ดอก ปรากฏว่าชายผู้นั้นพุ่งตัวดิ่งลงจากเชิงื้อผาตามวาจาของท่านทันทีนะคะก็โดดจริงๆค่ะตายค่ะไม่เหลือท่านบาบาจีสั่งสิทธิ์ที่นั่งอึ้งตะลึงลานไปตามๆกันให้ตามลงไปเก็บศพของชายผู้นั้นกลับขึ้นมาสภาพศพนี่แหลกเลวยับเยิน หลังจากที่บรรดาสิทธ์นำซากร่างที่ยับเยินกลับขึ้นมาท่านบาบาจีก็วางมือของท่านลงบนร่างที่ไร้ชีวิตปรากฏว่าชายผู้นั้นก็ลุกขึ้นแล้วก็มากราบท่านอย่างนอบน้อมท่านบาบาจีก็บอกว่าตอนนี้เจ้าพร้อมจะเป็นสิทธิ์ของเราแล้วเจ้าได้ใช้ความกล้าหาญ ฟาข้ามบททดสอบอันยากเย็นแสนเข็นนี้มาได้เป็นที่เรียบร้อยพระยมจะแตะต้องเจ้าไม่ได้อีกต่อไปเวลานี้เจ้านับเป็นหนึ่งในคณะผู้อยู่เหนือความตายของเราแล้วจากนั้นท่านกระชักชวนหมู่คณะให้ย้ายสถานที่แล้วทั้งคณะก็หายวับไปจากชเชิงเนื้อผาแห่งนั้น ท่านโยคานันทาบอกว่าองค์อวตารมีชีวิตอยู่ในพระเป็นเจ้าอันดำรงอยู่ในทุกสถานและทุกการสำหรับท่านแล้วคงไม่จำเป็นต้องใช้กฎทางฟิสิกที่ว่าด้วยสัสดส่วนผกผันกับกำลังสองของระยะทางจากจุดใดๆมาอธิบายดังนั้นการที่ท่านบาบาจีรักษากายทาตของท่านเอาไว้ น, น, นานนับร้อยร้อยปีเช่นนี้ ก็ด้วยเหตุผลเพียงประการเดียวคือท่านประสงค์จะทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่มนุษยชาติอย่างเห็นเป็นปรูปประธรรมได้เพื่อที่มนุษยชาติจะตระหนักรู้ถึงโอกาสความเป็นไปได้ของตนเองหากมนุษย์ไม่ได้รับพระกรุณาให้ได้เห็นพระเป็นเจ้าในร่างอันมีเลือดเนื้อแล้วไซสมนุษย์ยอ่อมจอมจมอยู่ภายใต้อำนาจบีทาของมายาจนไม่อาจทยานขึ้นมาอยู่เหนือความตายได้ คุณฟังจําท่านบราหมโคปานโยคีผู้ไม่เคยหลับได้ไหมคะที่เคยเล่าให้ฟังไปท่านนี้ก็มีประสบการณ์ที่ได้พบกับท่านบาบาจีแล้วท่านก็ได้เล่าเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ตอนที่ได้พบกับท่านบาบาจีครั้งแรกให้ท่านโยคานันทะฟังบอกว่าบางครั้งท่านจะออกจาก ถ้ำที่ปรีกวิเวศไปกราบคารวะท่านลาหิริมหัศยะในเมืองพาราสีมีอยู่กลางดึกของคืนวันหนึ่งขณะที่ท่านนั่งสมาธิร่วมกับสิทธิ์ค น, นอื่นก็มีคำสั่งที่แปลกประหลาดลงมาสั่งบอกว่าให้ท่านเนี่ยไปที่ท่าทัาท่าทัศน ส, สวะเมทคาต ชื่ออาจจะเรียกยากนิดนึงนะคะเป็นหมายถึงว่าเป็นชื่อของท่าน้ำท่านบราเมโคปานโยคีผู้ไม่เคยหลับท่านนี้เนี่ยก็ไปไปถึงท่าน้ำที่เปรี่ยวร้างคืนนั้นแสงจัน์กระจางหลังจากนั่งเงียบๆได้สักพัก ก็มีร่างของสตรีนางหนึ่งผุดขึ้นมาจากถ้ำลอยสูงขึ้นไปในอากาศเป็นผู้หญิงที่สวยมากร่างของนางมีแสงอันวนวลตาห่อหุ้มนางค่อยๆลอยลงมาอยู่ตรงหน้าของท่านปรามมโคปานแล้วก็บอกว่าเราคือมาตาจี น้องสาวของท่านบาบาจีเราขอให้พี่ชายพร้อมลาฮิริมหัศยะแวะมาที่ถ้ำของเราในคืนนี้เพื่อหารือธุระอันสำคัญยิ่งเรื่องหนึ่งในขณะนั้นมีแสงสลัวดุดเมฆหมอกลอยและล่องข้ามแม่น้ำคงคามาอย่างรวดเร็ว บนผิวน้ำอันมืดมิดปรากฏเงาสะท้อนของแสงเรืองอันดูแปลกตาแล้วก็เปลี่ยนเป็นแสงสว่างจ้าข้างกายท่านมาตาจีแล้วก็ควบรวมเป็นกายเนื้อของท่านลาฮิริมหัศยาท่านลาหิริมหัศยาก้มตัวลงคารวะแทบเท้าของท่านโยคินีที่เป็นน้องสาวของท่านบาบาจี ยังไม่ทันที่ท่านรามาโคปานจะหายงงก็เกิดมวลแสงอันลี้ลับหมุนคว้างเป็นวงพวยพุ่งมากลางเวงฟ้าแล้วก็ตรงลงมาใกล้ๆกับจุดที่ท่านลาฮิริมหัสยะและก็ท่านโยคินีที่เป็นน้องสาวของท่านบาบาจีอยู่เนี่ยนะคะ มวลแสงนั้นก็ค่อยๆก่อรวมกันเป็นร่างอัน ง, งามสง่าของชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งท่านปราหมคโคปานก็รู้ทันทีว่าต้องเป็นท่านบาบาจีแน่ๆคือท่านมีรูปร่างคล้ายกับท่านลาหิริมหัสยะต่างกันแต่ว่าท่านดูหนุ่มกว่าหนุ่มกว่าลูกศิษย์แล้วก็มีผมที่ยาวเป็นประกาย ในฉับพลันนั้นนะคะท่านลาฮิริมหัศยะท่านมาตาจีและก็ท่านบราหมโคปานก็พากันคุกเข่าที่แทบเท้าของท่านบาบาจีซึ่งท่านก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาของความปลื้มปิติเหมือนล่องลอยอยู่ในสวงสวรารถ้าอยากรู้ว่า ท่านมาตาจีที่เป็นน้องสาวของท่านบาบาจีเนี่ยจะหาหรือเรื่องอะไรนะคะกับการมาพบกันในครั้งนี้ติดตามตอนหน้าตอนที่20ชีวิตโยคีสนุกนะคะมีเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริเรื่องลี้ลับแห่งอำนาจนี่คือประสบการณ์นะคะของท่านประมาหังสายโยคา น, นัน tha ซึ่งเป็นโยคีชื่อดังท่านเขียนจากประสบการณ์ของท่านในหนังสือที่ชื่อว่าอัตชีวประวัติของโยคีนี่คือโลกของโยคีนักบวชผู้ปฏิบัติตามหลักโยกคค่ะแล้วก็มีวิธีการเรียนรู้ที่อาจจะตรงกันข้ามกับโลกในยุค ป, ปัจจุบันค่ะติดตามตอนต่อไปนะคะที่นี่วิทยุ ไทย PBS กับห้องสมุดหลังใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ใหม่ห้องสมุดที่ฟังได้ทางวิทยุกับรัศมีมณีนิน